สังยุตตนิกายสลายตนณวะปฐมรูปารามสูตรชาวโลกเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นสุขนี่อาสาทะใช่ไหมครับชาวโลกเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นสุขและธรรมะเหล่านี้ดับถือว่าเป็นทุกข น ะ, ะตอนที่มีมันเป็นสุขใช่ไหมครับตอนที่ดับเนี่ยชาวโลกถือว่าเป็นทุกส่วนพระอรียเจ้าทั้งหลายเห็นการดับสักกายะว่าเป็นสุขเดี๋ยวท่านอาจารย์อธิบายนะการเห็นของพระอารียเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นข้าศึกกับชาวโลกทั้งมวลดูที่ว่าเป็นข้าศึกกับเราหรือเปล่านะ ถ้าเป็นข้าศึกกับเรานี่ก็หมดหวังนะนิพานะดับสักกายะนะคือในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะและธรรมารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะธรรมารมณ์นั้นมีทั้งอสาาอสาธะอสสาธะนี่บางทางบางทางก็ความหวานเชื่นหรือสุขสมนัสของสิ่งนั้นอไน เมื่อได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทำให้เกิดความสุขสมนัสปราบปลืม้มยินดีนี่แหละเรียกว่าความสุขบางลทัทธิบางศาสนาบอกนี่แหละพอคุณเอ้ยนี่ผ่านในปัจจุบันนี่แหละเป็นอย่างนี้แล้วมีสีสวยๆได้ยินเสียงเพรานะๆน่ะเข้าไปในสถานที่บางแห่งได้รับการบารุงบาเรอเต็มที่แหละไม่มีสุขใดเสมอกับสุขนี้อีกแล้วนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นนิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความสุขที่ว่าเนี่ยมันถาวรนไม่ละคนเข้าไปใช้บริการบอกโอโ้โหมีความสุขที่สุดเลยเจ้าของบริการนี่ต้องทานยาแก้ปวดอยู่เป็นประจำนะใครมันจะขึ้นให้ได้กว่าจะจัดอันนั้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ย อยู่แบบนั้นตลอดไปได้ไหมโทษของสิ่งนั้นก็มีแต่ทีนี้ว่ามองไม่เห็นโทษอะทีนี้ว่าเมื่อสีเหล่านั้นแปรไปความสุขที่อาศัยสีถามว่าถ้าสีเหล่านั้นแปรไปเนี่ยความสุขเหล่านั้นจะเหลือไหม <c oughs> ถ้าบุคคลมองว่ากระเ จ, จกันดอกมาเนี่ยงามที่สุดวิเศษที่สุดถ้าลองมันตกแตกดูสิมันไม่แตกแต่เจกันนะ ใจของคนนั้นเนี่ยแตกด้วยกันเพราะว่าจิตที่ดีก็แตกไปด้วยหมดความสุขทันทีเลยในโลกเนี่ยความสุขของฉันเนี่ยหมดแล้วมันคล้ายๆกับคนที่มีความคิดว่ า, าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเป็นความสุขที่สุดในโลกเลยหลังจากที่คู่คู่ครองอ่ะนะตายนี้จากไปกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็มีหลายคนบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายตามไป พันเมื่ อ, อรูปเสียงเปลี่ยนรสเหล่านี้แปรไปคนที่สแสวงหาความสุขในสิ่งเหล่านี้จริงๆเขาก็ถึงซึ่งความทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ทั้งอัาทะและอาทีนวะของสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ทั้งสุขสมนัสความหวานเชินของสิ่งนี้ด้วยท่านรู้ถึงความไม่จีรังความไม่ถาวรของสิ่งเหล่านี้ด้วย ท่านจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงจะมีความสุขความสุขของสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับความฝันนะหรือสุขเหล่านี้ท่านก็บอกว่าเหมือนกับหลุมฐานเพลงิงความสุขของสิ่งเหล่านี้เหมือนกับของที่ขอยืมเข้ามามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้มีความมั่นคงถาวร อ, อะไรแต่ท่านยินดีในธรรมะอย่างหนึ่งคือที่สุด ข, ของสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าส ก, กายะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านต้องการความสุขที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละสมมุติถ้าหากว่าพูดแบบทั่วไปนะคนไข้เขาบอกว่ามีความสุขถ้าได้กินยาหายบ้างนิดๆหน่อยๆก็มีความสุขแล้วเกินเสร็จแล้วไอเวลาไข้ขึ้นเนี่ยมันก็กำเริบ ม, มันก็ทุกข์อีกแต่พระอาริยเจ้าทั้งหลายท่านยินดีในการหายจากไข้ ยาที่เอามากินสําหรับคนคนคนป่วยนะถึงจะแพงขนาดไหนพระอริยเจ้าท่านก็ไม่ได้ยินดีเพราะท่านต้องการหายจากโรคแต่คนพานคนพานก็คือผู้ที่ไม่รู้อริยสัจจะยินดีในกองทุกข์เหล่านั้นก็ยังยินดีในโรคเมื่อยังยินดีในโรคก็ยินดีในยาที่จะมามากินถึงจะแพงขนาดไหนยาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นยาที่ที่ทําให้หายขาดนอกจากยาคืออริยามรรคอันประกอบไปด้วยองแปด จึงจะเป็นยาที่หายขาดบางคนเนี่ยหาของแสแลงมามากินนึกว่าเป็นยาด้วยซ้าไปันผู้ที่เจริญมัชชิมาปฏิปทาจนรู้จักอัศาธะาตามความเป็นจริงของกรรมรู้จักอาทีนวะตามความเป็นจริงของกรรมและก็รู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงของกรรมภาระยะทั้งหลายท่านจะยินดีในการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ นั่นแหละเพราะว่าการสลัดออกนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่าคนนะถ้ากามไม่สอนจริงๆะนะก็บางคนก็ไม่คิดว่าจะออกจากกามด้วยซ้ำไปถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยกามมันสอนมากสอนขนาดไหนมีลูกสุดที่รักก็ตายหนีจากรักสามีสามีก็ตายหนีจากชีวิตครอบครัวนี่มีแต่ ม, แตมีแต่หาความสุขไม่ได้สักอย่างเดียวก็เลยเออมันมีโทษจริงๆ บางคนนี่ก็ขนาดนั้นนะจึงจะได้บางคนเนี่ยแค่ฟังข่าวโอ้คนนู้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วเนี่ยสังเวชใจเลยนะรีบศึกษาพระธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อีกคนหนึ่งอ่ะเฉยคนอื่นตายก็ตา ย, ตายไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่นี้คนรอบข้างตายเข้าเอชักทุกข์แล้วก็เลยรีบปฏิบัติธรรมอีกคนหนึ่งนะตัวนี่มันจะเอาตัวไม่รอดแล้วนะนนก็รีบปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยเขบอกว่าตายอีกสามชาติก็มัยังไม่ตื่นตัวเลย เพราะว่าสติปัญญาของสัตว์โลกนั้นแตกต่างกันมากตรงนี้เราจะได้ศึกษาในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้แจ้งในสัตว์สัตว์ทุกอย่างเลยว่าสัตว์ใดมีความคิดอย่างไรสังสมอัธยาศัายมาอย่างไรเป็นต้นพระองค์รู้แจ้งหมดเลยผมขออยุาเพิ่มเติมนิด ห, หน่อยนะครับคือฟังสวดอิทาอ่านผิวเผินนะฮะฟังผิวเผินนะ่คือว่าปุตรชนเนี่ยเห็น เห็นรูปนะสีเสียงกลิ่นรสนี่แหละนะครับว่ามันเป็นสุขนะครับแต่พระผู้พิพากษาบอกว่าถ้าดับมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระผู้พิพากษาบอกว่าพระองค์จะจะเห็นว่าเป็นสุขเมื่อดับสักกายทิฐิไม่มีเหลือเนี่ยน่าสนใจใช่ทำไมไม่ดับเมื่อรูปมันไม่ดีทำไมไม่ดับที่รูปเลยอ่ะตอนนี้ รูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยมันจะเป็นสักกายะได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือมันนะมันไม่เป็นมันไม่เป็นไออุปาทานนะไม่ใช่เป็นรูปปูปาทานนั้นหรือว่าเวทนูปาทานนะครับมันเป็นแค่รูปมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าว่าเราเข้าไปยึดมันเมื่อไหร่เนี่ยนะจึงจะเป็นอุปาทานเพราะนั่นคําว่าดับสักกายะเนี่ย มันจะไปดับรูปนะเนี่ยเนี่ยปฏวีธานเนี่ยสีไม่ได้เป็นดับดูไหมครับไม่ได้เป็นดับมันนะแต่ดับตัวเข้าไปยึดมันะ่ะจริงที่เรียกว่าดับสกายะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอถ้าหากว่าเราได้ยินว่าสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธแล้วก็สกายะนิโรธาขามินีปฏิปทาดับสกายะก็คือสกายะนิโรธนั่นเองอันสกายะนิโรธก็คือพระ พระนิพานแสดงว่าคนที่จะดับสกายะได้นั้นเป็นคนที่รอบรู้เรื่องสกายะอย่างดีด้วยอำนาจของปเรณยาสามเป็นต้ น, น, น, นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องสกายะเป็นอย่างดีจึงดับสกายะสมุทัยได้ผู้ที่ดับสกายะสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงสกายะนิโรดนั่นแหละ ในในสูตรนี้ท่านท่านสรุปตอนท้ายว่าท่านท่านหมายถึงเรื่องของนิพพานหรือว่าวิวัสสต์ทั้งสิ้นท่านว่างนันนะฮะหมายความว่าที่พูดเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของต้นๆ น, นะเช่นพอเรื่องอริยสัจนะฟังดูคาว่าดับสกายะเนี่ยต้องแปลเป็นภาษาบาลีคือเราจะรู้ว่าคําว่าดับคืออะไรนิโรธท่านนิโรธองค์ทำได้แก่อะไรนิพพานท่านก็ต้องอธิบายให้เป็นนิพพาน เมื่อวานก็ได้กล่าวถึงข้อความในมหาสีหนาสูตรพระสูตรที่พระองค์ทรงบรรลือสีหนาสให้กับภาษาริบุตรฟังแล้วก็ทีจริงแล้วในขณะนั้นเนี่ยพระภิกษุเนี่ยฟังเยอะบาสกอุบาสิกาก็มีฟังอยู่ด้วยแต่ว่าพระองค์นั้นจะตรัสกับภาษาริบุตรในฐานะเป็นประธานในที่นั้นพระองศ์ก็ได้กล่าวถึง พยานต่างๆของพระ อ, องค์ที่มีอยู่เช่นอิทธิวิธีพระผู้มีพระภาคพระองค์สามารถทรงแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีหูทิพย์ทรงมีตาทิพย์และพระองค์นั้นสามารถที่จะรู้วาระ จ, จิตของผู้อื่นโดยอาการ16อย่างและพระองค์นั้นมีคุณธรรมคือทศพลยานยานที่เป็นกาลังของพระองค์ทั้ง10อย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือฐานาฐานาัญยานที่รู้ว่าอะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะยานที่สองเรียกว่ากรรมวิปากายานยานที่รู้ถึงกรรมและผลของกรรมแล้วก็ยานที่สามเขาเรียกว่าสัพพัทคามินีปฏิปทายานยานที่รู้จักหนทางต่างๆ ที่จะทําให้ไปสู่ในภพภูมิต่างๆอย่างที่ว่าทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่นรกให้ไปสู่เดรัจชานสู่ปติวิสัยมนุสโลกเทวโลกหรือว่าทางนี้เพื่อเป็นทางไปสู่พระนิพพานพระองค์นี้ทรงรอบรู้เรื่องทางเหมือนกับข้อความในคาถาธรรมบทที่กล่าวว่าภิษุเนี่ยไปจาริก ก็บอกเออถนนนั้นอ่ะของเราเนี่ยเดินทางด้วยหรือเปล่าทางของเราก็คือทางเราคืออะไรทางเดินเราอ่ะมักมีองค์แปดทางมีองค์แปดขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรก่อนเห็นกรรมก่อนเถอะเห็นบุญเห็นบาปก่อนเนี่ยนะแปลง่ายๆนะมองให้เห็นบุญเห็นบาปก่อนนั้นการเดินทางเบื้องต้นที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ก็คือรู้จากทางบุญและทางบาปซะก่อนอ น, นะในทางบุญและทางบาปจนรู้ว่าทางใดที่เป็นไปเพื่อละบาปแล้วก็ลอยบุญนะเรียกว่ารู้บุญรู้บาปเป็นอย่างดีจึงจะละบาปแล้วก็ลอยบุญได้อันข้อความตรงนี้กล่าวถึงว่าพระตถาคตเนี่ยย่อมทรงทราบปฏิปทาปฏิปท า, าก็คือเครื่องดำเนินหรือข้อปฏิบัติทั้งปวง ถามว่าเป็นอย่างไรนะก็ความในสัมโมหะวินโนเทนีอัตตะถาญาณวัตถุหมวดสิบทศกันิเทศว่าไ ง, งเมื่อชนทั้งหลายแม้อยู่ในบ้านทั้งสิน้นร่วมกันปลงสุกรตัวหนึ่งนะคนในหมู่บ้านหรือว่าคนในบ้านเนี่ยนะปรึกษากาันเออเนี่ยมีแขกมาเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยอะไรดีบอกว่าเลี้ยงเอาหมูมาเลี้ยงดีกว่าข้าหมูสักตัว หรือเนื้อสักตัวหนึ่งนะนี่ยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งวางแผนกันเพื่อที่จะฆ่าสักตัวแล้วก็ฆ่าตัวนี้เนี่ยลงจากชีวิตเจตนาแม้ของชนทั้งหมดย่อมมีชีวิตดินซีของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์ทุกคนนะฆ่ามันก็ต้องนึกถึงความมีชีวิตของเขาอะ่ะต้องการพรากชีวิตของเขาไปแต่ว่ากรรมนั้นของบุคคลเหล่านั้นย่อมแตกต่างกัน เพราะความพยายามนั่นแหละเพราะว่าในชนเหล่านั้นคนหนึ่งมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วย่อมทําการฆ่าด้วยความเอาใจใส่เรียกว่าเป็นเจ้าของงานเลยว่ากนะเป็นรับเป็นธุระในการฆ่าทั้งหมดนั่นนะเต็มใจทําด้วยคนหนึ่งย่อมกระทําเพราะถูกผู้อื่นบีบคั้นด้วยคําว่าเธอจงมาเธอจงทาการฆ่าดังนี้ อีกคนหนึ่งเนี่ยทำเพราะคำสั่งคนหนึ่งไม่ขัดขวางการฆ่าเที่ยวไปอยู่เป็นราวกับว่ามีความพอใจด้วยกันเ อ, อก็ไม่ขัดขวางอะไรก็เออฆ่าก็ฆ่าจะเป็นไรไปในชนเหล่านั้นคนหนึ่งย่อมเกิดในนรกด้วยกรรมนั้น น, นั่นแหละนะเจ้ากี้เจ้าการรับผิดชอบทั้งหมดนั้นก็ไปนรกไปอีกคนหนึ่งย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เลี้ยชานก็คือประเภทที่ ถูกบีบให้ทํอาอ้าวก็ทําไปอีกคนหนึ่งก็เกิดในเปติวิสัยกําเนิดเปรตพระตถ า, าคตย่อมทรงทราบว่าผู้นี้จะเกิดในนรกผู้นี้จะเกิดในกําเนิดสัตวยรชานผู้นี้จะเกิดในเปติวิสัยในบ้านเดียวกันเนี่ยนะข้าตัวเดียวเนี่ยที่ไปจากไม่เหมือนกันตามน้ําหนักแห่งเจตนาใครที่มีเจตนาหนักในเรื่องนั้นมากก็บาปมากเจตนาน้อยก็บาปน้อย นั่นแหละถ้าไม่มีเจตนาเลยก็ไม่มีบาปนะบอกว่าถ้ามือไม่ปึไม่มีแผลถึงนำยาพิษไปยาพิษก็ไม่เข้าฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ยินดีในการทำเพราะความที่บุคคล น, นั้นพยายามแล้วด้วยกิริยาอาการนี้ในขณะแห่งความเพียรนั้นนั่นดังนี้ย่อมทราบว่าบรรดาบุคคลทั้งหลายแม้เมื่อเกิดในนรก ผู้นี้จะเกิดในมหานรกแปดขุมไอเต็มใจทําเนี่ยตกนรกก็ตกไม่ใช่ขุมเดียวกันนะผู้นี้จะเกิดในอุสุธารกคือนรกที่มันเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่นะที่มันแคบอ่ะอุสุธารกมีสิบหกขุมแล้วก็ยมพระองค์นั้นทรงทราบว่าบรรดาผู้ที่จะไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดราชานผู้นี้จะไปเกิดสัตว์ไม่มีเท้าไม่มีเท้าเช่นงู ทีขาชาตินะทีข้ามแล้วว่ายาวชาติยาวอ่ะหรือผู้นี้จะเกิดเป็นสัตว์สองเท้าเช่นไก่ไก่ไกนกอย่างเงี้ยผู้นี้จะเกิดเป็นสัตว์สีเท้าเช่นหมูหรือว่าโครกระบือผู้นี้จะเป็นมีสัตว์เท้ามากเช่นพญากิงกืองี้ยแล้วก็ย่อมทรงทราบ ว, ว่าผู้นี้จะไปเกิดเป็นเปติวิสัยคือเกิดในกำเนิดเปรต นะอดอยากหิวโหยแม้แต่เปรตก็มีส2องประเภทใช่ไมผู้นี้จะไปเกิดเป็นนิชามะตันิกะเปรตเขียนก็แปลว่าเปรตผู้ถูกความอยากเนี่ยเผาพลานอดอยากหิวโหยผู้นี้จะเกิดเป็นขุปปิปาสิกะเปรตเปรตผู้หิวกระหายผู้นี้จะเป็นปรทัตโตปชีวิเปรตเปรตผู้อาศัยทานของคนอื่นเลี้ยงชีวิตดังนี้ พระองค์นั้นย่อมทรงทราบถึงบรรดากรรมเหล่านั้นว่ากรรมนี้จะไม่ฆ่ามาซึ่งปฏิสนธิไอคนนี้เนี่ยทำกรรมกรรมอันนี้ไม่นําเกิดกรรมนี้มีกําลังสามจะมีผลผูกพันเพราะปฏิสนธิอันกรรมอื่นให้แล้วกรรมอื่นให้ผลแต่กรรมนี้เข้าไปร่วมด้วย น, น, นคะคะ่ากับคดีนี้คนอื่นฟ้องแต่เราร่วมกรรมตัวนี้ร่วมด้วยอให้มันมีน้ําหนักมากขึ้น สมมติถ้าหากว่าเขาจะเจ็บสัก 5% ก็ช่วยให้เจ็บสักสิเนี่ยเข้าไปช่วยอันหนึ่งบรรดาชนทั้งหลายผู้อยู่ในบ้านทั้งสิ้นร่วมการถวายอาหารบิณฑบาตก็เหมือนกันอ่ะตื่นเช้ามาเนี่ยจะใส่บาตรเนี่ยก็บอกว่าเจตนาของชนแม้ทั้งหมดเหล่านั้นก็ย่อมมีอาหารบิณฑบาตเป็นอารมณ์ทั้งนั้นก็นึกถึงข้าวนึกถึง อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ากรรมนั้นของบุคคลเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันโดยนยัยก่อน ในขณะแห่งความพยายามใครเจ้างานน่นะใครที่มีศรัทธาในเรื่องนั้นมากมีฉันทะมากในชนเหล่านั้นบางคนย่อมเกิดในเทวโลกบางคนก็เกิดในมนุสโลกพระตถาคตย่อมทรงทราบ ว, ว่าบุคคล น, นี้จะเกิดในมนุสโลกผู้นี้จะเกิดใน เทวโลกเพราะความที่ผู้นั้นพยายามแล้วด้วยกิริยาอาการนี้ในขณะแห่งความเพียรนั่นแหละว่าเจตนาในขณะที่ทํานั้นอ่ะทำเรื่องเดียวกันแต่ว่าผลไม่ได้เท่ากันหมดบางคนเป็นญาณสัมปยุตบางคนนั้นยาณวิปยุตบางคนมีฉันทะเป็นอาทิบดีบางคนมีวิริยะเป็นอาทิบดีบางคนมีปัญญาเป็นอาทิบดีบางคนเนี่ย มีศรัทธาแก่กล้าบางคนเนี่ยมีสติมากบางคนเนี่มีวิริยะมากอันอินทร์แต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันอันเมื่อน้ำหนักของกุศลไม่เท่ากันผลก็แตกต่างกันย่อมทรงทราบว่าแม้บรรดาผู้ที่จะเกิดในเทวโลกอ่ะผู้นี้จะเกิดในชั้นปรณิมิตวัตสวาตีคือในสวรรค์ชั้นที่6ผู้นี้จะเกิดในชั้นนิมมานารดีนิมมานารดีเช่นนางวิสาขาก็ไปเกิดใน นิมมานารดีผู้นี้จะไปเกิดในชั้นยามาชั้นยามาก็คือใครใครไปเกิดยามาบ้างเคยได้ยินไหมนางศริมานางศรินมานั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็พอไปเกิดในชั้นอ่าชั้นยามานี้เป็นมเหสีของท้าวสุยามะเงินเสร็จแล้วก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังวิชยสูตรฟังแล้วเป็นพระอนาคามีจากท่า ไม่ไม่กลับไปคืนสุยามเนี่นะถ้าเป็นพระนาคามีเลยหาพร ม, มาโลกเลยนางศิริมาเนี่ยได้ดีแล้วผู้นี้จะเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตก็เหมือนกับอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีเกิดในดุสิตผู้นี้จะเกิดในชั้นยา ม, มาผู้นี้จะเกิดในดาวดึงดาวดึงเนี่ยโอ้เยอะอย่างธรรมิกะอย่างอุบาศกส่วนใหญ่นี่จะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ผู้นี้จะเกิดในชั้นจาตุ ม, มหาราชิกาเหมือนเจ้าปายาสิเจ้าปายาสินี่เขาให้ทานด้วยกันแต่ว่าเขาสั่งลูกน้องคาอย่างเดียวเสร็จแล้วเขาไปเกิดในเสรรวิมานวิมานว่างเปล่าเขาไปอยู่คนเดียวโดดเด่ไม่มีบริวารไม่มีอะไรสักอย่างเะแต่ลูกน้องของเขาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นอย่างดีเลยลูกน้องคนก็บอกว่าไม่แน่นะเจ้าของทานจะได้บุญมากกว่าคนให้นะเพราะว่า คนให้ท้าใ ห, ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความศรัทธาเนี่ยก็ก็ ก, ก็บุญอะ่ะแต่ก็ไปอยากให้เองอะ่ะนั่นแหละบางคนก็เป็นลักษณะ น, นั้นเกิดในวิมานว่างเปล่าเลยอย่างนี้ก็มีผู้นี้จะเกิดเป็นภูมิมะเทวดานี้จะไปเกิดเป็นปู่ตาเร้ยก็ปู่ตาอยู่สวนนูน้นบ้างอยู่ต้นนี้บ้างเจ้าพ่อยายเขียวบ้างตาโน้นตานี่เป็นพระภูมิเจ้าที่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในชั้นภูมะเทพ พระ อ, องค์นี้ย่อมทรงทราบว่าผู้นี้จะเกิดเป็นเทวราชผู้ประเสริฐที่สุดแม้แต่ไปเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีก น, นะบางคนจะเป็นเทวดาประเภทหนึ่งเป็นพระอินเลยสมมตินะบางคนเนี่ยเกิดเป็นผู้รับใช้มีตําแหน่งเป็นที่สองบางคนเนี่ยจะไปเกิดเป็นรับใช้คนที่สามเนี่ยมันมีหลายตําแหน่งมากเทวดาเหมือนกันแต่ว่าความหลากหลายเหมือนกับมนุษย์นี่แหละมนุษย์ก็ เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่ากษัตริย์บางองค์ก็มีตําแหน่งบางองค์ก็ไม่มีตําแหน่งบางองค์ก็ได้แต่เชื่อมาเฉยๆอย่างนี้นันั้นความแตกต่างกันก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันย่อมทรงทราบว่าบรรดาผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหลายผู้นี้จะเกิดในขติยะตระกูลตระกูลกษัตริย์ผู้นี้จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้นี้จะเกิดในตระกูลแพทย์เรียกว่าค้าข า, ขายผู้นี้จะเะกิดในตระกูลสูตร ย่อมทรงทราบว่าก็บรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้นี้จะเกิดเป็นพระราชาผู้นี้จะเกิดเป็นผู้รับใช้พระราชามีตําแหน่งที่สองหรือที่สามเป็นต้นไปย่อมทรงทราบว่าบรรดากรรมเหล่านั้นกรรมนี้จะไม่อาจค่านํามาซึ่งปฏิสนธินะทําบุญพร้อมกันนี่แหละอีกคนหนึ่งไม่ให้ผลนําเกิดหรอกเพราะมีกําลังสาอ่ะไปกับไปกับเขาอย่างนั้นแหละบุญแบเอา้เอาวแต่ก็ไม่มีกําลังแรงพอที่จะนําเกิดได้ จกให้ผลผูกพันเพราะรรมอื่นนอันให้แล้วบุญตัวเอื่นนี่ให้ผลนำเกิดก็เข้าไปเป็นอุปธรรมพักกรรมเข้าไปช่วยเมื่อบุคคลเหล่านั้นเริ่มตั้งวิปัสนาอยู่นั่นแหละและมีวิปัสนาอันปรารพแล้วโดยกิริยาอาการอันใดคือลักษณะที่สังสมมานะพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าผู้นี้จักบรรลุเป็นพระอรหันรู้ได้เลยมองออกเลยเป็นอรหันนะ ผู้นี้จะไม่อาจเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันผู้นี้จะเป็นพระอนาคามีผู้นี้จะเป็นพระสกะทาคามีเท่านั้นผู้นี้จะเป็นพระโสดาบันเท่านั้นนะแล้วก็ผู้นี้ไม่อาจเพื่อที่จะทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนะยังไงคนนี้ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้